ยิงได้ที่มันหลุดไปตกไปหมดไปยิงตกไปเท่าไรก็ยิงเบายิ่งสบายไปเท่านั้นเหมือนกันกับเราแบกเราหาบของหนักหนักหยิบออกเท่าไรทิ้งออกเท่าไรความเบามันก็เกิดขึ้นเท่านั้นผล ท, ที่สุดทิ้งหมดมันก็ไม่มีอะไรที่จะหนักในบ่าของเรา จิตใจของเราท่านก็เหมือนกันถ้าหากว่าเพื่อปฏิบัติอาธธรรมที่วิจารณาตามธรรมะของพระเจ้าที่ว่าปัญญานั้นคือมันละมันถอนสิ่งที่เคยข้องจิตคิดตึงต่างต่างสิ่งที่เคยสงสัยให้หายไปจากใจของตัวถึงจะไม่มีวาทะคมคลายที่จะสอนคนอื่นได้ก็าตามขอให้สอนจิตของตัวให้ได้ให้เย็นให้สบาย ใหหมดพิษหมดภัยเป็นอันใช้ได้เห็นไปจากชาัดเจนว่าพระพุทธเจ้านั้นจิตของท่านที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรสาวกจิตที่เป็นของท่านทีบริสุทธิ์เป็นอย่างไรพอเราเห็นเราเป็นในการ ป, รปฏิบัติของเราท่านเหล่านั้นเป็นอย่างไรมันก็ไม่มีการสงสัยพะใจที่เป็นอย่างนี้มันเหมือนกันหมด มันมีผิดแปลกแตกต่างกันถ้าจะเทียบสิ่งที่เราเคยเข้าใจการเห็นกันง่ายๆก็เหมือนการอิม่มคนไหนกินอิ่มมันเป็นอย่างไรเราทราบว่าเราอิ่มเป็นอย่างไรเขาก็าอย่างนั้นเหมือนกันหมดนี่คือความอิ่มของอาหารความอิ่มของอัดของทำความเต็มของอัดของทำความพอของอัดของทำความ หมดสิ้นชีเลตเป็นอย่างไรนั้นผู้ ป, ปฏิบัติอาจทมภายในก็เหมือนกันหมดแันจริงว่าผูดด้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นความหมดจดบริสุทธิ์ของใจไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันพระพุทธเจ้าจะล่วงลับดับขันปรินิพานไปสองพันหร้อยกว่าปีก่าตามยังจะมีผู้ ป, ปฏิบัติตไดอีกพันปีหมื่ปีังหน้า ถ้าหากเขาเขาเห็นเขาเป็นมันก็เหมือนกันกับจิตของผู่บริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบันไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันนี่คือความหมดจดความบริสุทธิ์ของใจนำความสุขความสบายมาให้ตากโกงเป็นพิษหูกให้เป็นพิษรูปเสียงเรื่องราวต่างๆในโลกไม่เป็นพิษเพราะจิตไม่ไปจิตไปข่องจิตไม่ไปยึดไปถือจิตรู้ รอบในสิ่งนั้ น, นั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกจึงไม่ติดกับโลกจึงไม่มีการวุ่นวายจึงไม่มีการที่จะละจะบําเพ็ญอีกเพราะความบริสุทธิ์ของใจผู้ประพฤตปฏิบัติฝึกหัดด่านภาวนาทันเห็นทันเป็นทันเย็นทันสบายอย่างนั้นท่านจึงสามารถอยู่ในสถานที่ โลกทั่วไปเขาไม่นิยมเหลื่อมใส่ที่อยู่ของท่านอยู่ร่มไม้อยู่ทรายเขาอยู่ในป่าในดงซ้าไม่ได้ดูหูไม่ได้ฟังสิ่งที่โลกเขานิยมชมชอบท่านอยู่ได้อย่างไรก็เพราะใจของท่านเป็นอัดเป็นธรรมท่านอยู่กับอัดกับธรรมท่านฝึกท่านสบายในอัดในธรรมไม่ได้อยู่สุขสบายเพราะวัตถุ ดีเดี่ยวของท่านสถานที่ใดเงียบสงบสบายไม่มีใครมาเกี่ยวข้องวุ่นวายไม่มีเสียงอะไรมาบรบกวนท่านอยู่ mm hmm. ถึงอาหารการขบฉันของท่านจะโอดยากจ้าจานเขียงหนึ่งห่มของท่านจะไม่หรูหรางามตาเกติสลาจะไม่ใหญ่โตกวรร่าตาม ถ้าจิตเป็นอาจเป็นธรรมแล้วสุขทางนั้นสบายทางนั้นนี่คืออา น, นิสงส์ของการสะพติปฏิบัติสําระจิตําระใจของตัวมันมีความสุขความสงบความเย็นคนที่สแสวงหาความสุขความสบายด่านของโลกไม่มีวันเจอเหมือนวิ่งตามเงา วิ่งเท่าไรเงามันก็วิ่งไปเท่านั้นไม่มีวันทันถ้าเราวิ่งมันก็วิ่งถ้าเราหยดุดมันก็ยหยุดเรื่องของเงาพอมันอยู่กับเราจิตใจก็ทำนองเดียวกันแสวงหาเรื่องของโลกไม่มีวันพอวันอิม่มถ้าหากมันอิม่มมันพอโลกอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาปเพื่อปฏิบัติหาอาัธหาธรรมสอนใจ จะต้องมุ่งมั่นแสวงหาใจด้านวัตถุเรื่อยไปเพราะความสุขในด่านวัตถุมันเพียงพอมันสมบูรณ์นี่มันไม่สมบูรณ์ให้บ้านใหญ่เงินทองมากมายขนาดไหนก็ยังบ่นเป็นทุกข์ของใจเพราะใจมันยังไม่สุขไม่สงบไม่ประเสริฐใหงถ้าใจมันสุขมันสงบไม่ได้บ่นอยู่สถานที่ใดก็สุข ก็สงบก็สบายนี่คือการฝึกอบรมใจให้ถึงอัดถึงทำมีความสุขความสบายพวกเราทั้งหลายที่แสวงหาความสุขหาอัดหารมก็อย่าไปจ้องไปมองดูที่อื่นดูจิตดูกายของตัวมันหลงก็หลงตรงนี้มันรู้ก็จะรู้ตรงนี้ มันดีกว่จะดีตรงนี้มันชั่วกว่าจะตรงชั่วตรงนี้ให้ดูเข้ามาภายในเป็นโอปณะยิกะธรรมพิจารณาภายในระยะนี้จิตใจมันเป็คิดติดข้องกับอารมณ์สัญญาอะไรอารมณ์ที่มันเกี่ยวข้องนั้นมันเป็นไปเพื่อละเพื่อถอนจีเลตันหาหรือมันสะสมเป็นเรื่อ ง, สสองของมรรคเลกสมมุติไทยตรวจตาพิจนารนณาใจของตัว นี่คือผู้ปฏิบัติรักษาสังวรระวังเมื่อจิตใจมันเป็นคิดไปเรื่อยๆที่เจรนะิญอะไรจิตใจก็ไม่ค่อยแก้ไขเรื่องนั้นนั้นให้หายสงสัยคือใจมันมีกำลังก็ให้รีบทำสมาธิคือกำหนดจึงไดสิ่งหนึ่งให้จิตมันหยุดให้มันทัก เหมือนกันกับมีดที่เราใช้อยู่บ่อยๆไม่ได้รับมันไม่คมต้องรับมันเึงจะคมเมื่อรับแล้วไม่ทำประโยชน์อะไรมันก็ไม่เิดประโยชน์ให้สมาธิปัญญา่อทานองเดียวกันเมื่อพิจาน้าอะไรไม่ตกขาดยังสงสัยก็รีบเข้ามาสมาธิพักผ่อนให้จิตมีกำลังถอนออกมาพิจาน้าต่อ นี่เป็นเรื่องการฝึกภาวนาส่วนศีลนั้นมันไปจำกายบาจาไม่ต้องไปหาเราเจตนาภายในจะรักษามันก็เกิดขึ้นอย่าไปสงสัยพอเรามานั่งอยู่นี้ไม่ได้ไปข่าไปตีใครไม่ได้ไปด่าไปว่าใครศีลของเราบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะด่างพ้อยไม่มีอะไรที่จะขาดจะเขีย เพระเราไมา่ได้ทําทชั่วให้ดูปัจจุบันของตัวอย่าไปคิดขังหน้าขังหลังให้จิตใจวุ่นวายสมาธิกำหนดอะไรมันจะลงรวมได้กาหนดให้มันอยู่มันเกาะมันอาศัยให้ใจมันลงมันรวมนี่คือการฝึกจิตปฏิบัติใจของตัวผู้ใดประพฤติปฏิบัติได้ จะเห็นอันนี้สงในตัวของตัวไม่ต้องไปหาไปประกาศนิยาบัตที่ไหนมาจิตให้ว่าโสดาสกิทาคาอรรังหันแต่เราก็ทราบดีว่าแต่เก่าแต่ก่อนจิตใจของเราเคยว่าวุ่นขุ่เคืองไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆระยะที่เรามาภาวนาฝึกหัดจิตใจของเราความเคยจิตคล้องเศร้าหมองต่างๆมันเป็นอย่างไรทราบได้จากจิตของตัว ให้องไปให้คนอื่นมารับรองให้เรารับรองตัวของเราเองเราเห็นเราเป็นเพราะทาเป็นสันพิติโกรู้เองเห็นเองในการประพฤติปฏิบัติเป็นปัจจัดตั้งเฉพาะตัวของตัวถ้าเราไม่สงสัยเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วทุกคนจะเห็นจะเป็นจะดีจะเด่น เพราะทำเป็นอากาลิโกไม่มีการมีสมัยใครต่างหน้าต่างใจศึกษาประพฤติปฏิบัตินั้นจะต้องเห็นต้องเป็นในตัวไม่ใช่ว่าทำมันมีการมีสมัยผู้ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วคนนั้นจะเห็นเป็นสันคิดทิโกขึ้นพวกเราสุ่งเป็นนักประพฤติปฏิบัติ เคยฝึกหัดอบรมมาระยะยาวนานก็มีใหม่ๆก็มี <c oughs> แต่ทิ้งอย่างไรก็ดีให้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาประพฤติปฏิบัติสังวรจิตระวังใจของตนการปฏิบัติยาวนานหรือระยะสั้นนั้นมันก็เอาแน่นอนไม่ได้บางฉันบางคนบวชมานับพัรษาไม่ได้ ใจจิตไม่ช่วยเป็นสมาธิไม่เกิดสตปิปัญญาอะไรให้มันก็มีบางคนเข้ามาใหม่ใหม่ในชีวันกีเคลืนจีเดินจีปีดีเดิขึ้นก็มีนี่แล้วแต่ใครที่ส้างหน้าต่งตาง้าเพื่อปฏิบัติรักษาเหมือนกันกับคนเกิดขึ้นมาสร้างหน้าต่งต า, า, างซ้ายาเสียมั่งมีเข้าขอเงินทองเอาแบงหาแต่จะรู้เดียงสามา จนลุ่นปูลุ่นตาแต่ก็ไม่เคยลวยให้เขาเกิดใหม่ลุ่นลูกรุ่นหลานเร็วกว่าก็มีมีการปฏริทิปฏิบัติก็ทํานองเดียวกันอย่าไปคิดว่าคนนั้นมีอายุพรนษามากจะมีธรรมสูงคนนี้บวชใหม่จะไม่มีอาจมีทําอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วแต่ผู้ประิทินปฏิบัติจะระสบพบเห็นด้วยตัวของท่านเองผู้มีธรรม จะทราบถึงเรื่องของปุณิธรรมถ้าหากเราไม่รมก็อาจจะสงสัยว่าท่านเทศดีอย่างนั้นแต่งหนังสือเด่นอย่างนี้คงจะมีจิตใจเลิ่ประเสริฐเลยจะสงสัยไปเกาะกับสัญญาอารมณ์ภายนอกแบบนั้นมัน็มี ไม่ได้คิดว่าการพูดการเขียนนั้นนันเป็นเรื่องสมมติเรื่องของโลกพวกที่เขาเป็นโคศกในสถานีวิทยุต่างๆเขาพูดเก่งกว่าพระนับไม่ได้แต่เกี่ยวกับัญหาของเขาเป็นอย่างไร<ๆ>ก็พอทราบได้ดูพระที่จะถูกต้องว่ามีธรรมมีวินัยหรือไม่ ให้ฝึกจิตอารมใจของตัวฝึกจิตอารมใจของตัวดีรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างไรให้เอาความรู้ความเห็นเกิดขึ้นเป็นขึ้นจากการปฏิบัตินั้นไปไต่ถามท่านอย่าเอาตำหลับตำลาเอาอยงอื่นไปถามเราเป็นเราเห็นอย่างไรถ้าหากท่านพูดไปตรงตามที่เราเห็นเราเป็นนั้น แล้วก็เชื่อมั่นว่าท่านมีอัตนิธรรมเพราะธรรมที่เกิดกับใจจะเอาตำลามาตอบนั้นมันตอบไม่ได้ตอบได้แต่มันไม่ถูกมันวกมันวนไปทุกผลทุกแห่งจะเรียนมาจบถ้าใตติดดกกว่าตามจะมาแก้ไขขับไล่ความสงสัยของผู้ปฏิบัติใจจริงจังนั้นมันไม่ถูกให้ไม่ถูกจุด ที่เขาถามที่เขาสงสัยทิ้งต่อไปก็ตอบบกบกวนบนไปอย่างนั้นเราก็ทราบว่าองค์นี้มีแต่ความรู้แต่ความเป็นความเห็นภายในไม่มีถ้ามีจะต้องตอบตรงเป่งมาทีเดียวเพราะเห็นเพราะเป็นนี่คือเครื่องอวัดการปฏิบัติถ้าหากเราไม่มีประหลอดวัดเราก็จะไปหลงสัญญาอารมณ์ ภายนอกว่าเขาเชื่อเขาเลื่อมใสคนนั้นมากท่านคงจะมีทำ ม, มีดีในดีวิเศษมันเอาแน่ไม่ได้การเลื่อมใสศรัทธาของคนเหมือนกันกันกบสัตว์ทั่วไปของเน่าของเหม็นแทนที่จะไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องมันก็ยังมีสัตว์ที่ยินดีในของเน่าของเหม็นของหอ้อมันก็มี จึงเอาแน่ม่ได้เราต้องมีประลอดคืออัจทําในใจจะไปวัดองค์ไหนก็วัดได้พอเรามีประลอดมันมีไข้หรือไม่มีไข้ไข้สูงขึนขนาดไหนประหลอดจะต้องบอกความร้อนของกายมันเป็นอย่างไรพอเอาประหลอดไปวัดก็ทราบว่ามีไข้สูงขนาดนั้นต่ำขนาดนี้ในจิต พู้ปฏิบัติฝึกหัดภาวนาก็ททำนองเดียวกันท่านจึงไม่ได้นับถือซุมสี่ซุมห้าเพราะท่านมีประหลอดในใจไปวัดดูว่าองค์นั้นเป็นอย่างไรองค์นี้เป็นอย่างไรเราถูกปัญหาของใจขึ้นถามนิดๆหน่อยๆเท่านั้นมันก็พอทราบได้ว่าน้าเลื่อมใสศรัทธา มีธรรมมีวินั ย, นยบริสุทธิ์หรือไม่หรือเป็นอย่างไรมันพอทราบได้เพราะใจเราเห็นเราเป็นถตาใจเราไม่เห็นไม่เป็นใจเราเม่ เ, เ, เ, เห็นเราบอดท่านจะอธิบายขนาดไหนมันก็ไม่เห็นให้ภูเขาใหญ่ขนาดไหนมันก็มองไม่เห็นตะวันมันจะสว่างขนาดไหนมันก็มืดอยู่ตลอดการตลอดเย็ลาเพราะตาเราบอดจ้ ตาของเราสว่างมันก็พอมองเห็นเขาลูกนั้นมันสูงลูกนั้นมันต่ำวันนี้มีเน่ปิดบังวันนี่ไม่มีอะไรติดบังแสงคิดแสงจันทร์ทอเต็มที่มันทราบเพราะตาเรามีมีการประพฤติปฏิบัติภายในก็คพึงต่างใจประพฤติปฏิบัติอย่าไปดูข้างนอกมากกว่าดูข้างในให้ำหํำระใจของตัวเพราะชั่ว ของคนอื่นนั้นนามหนักหนาก็จะเอามาให้ถ้าเราไม่รับความชั่วเอาไว้ความชั่วมันก็ไปแม่จิตของในจิตในตัวของเราถึงเขาจะเอามาให้เขาด่าให้ก็เป็นเรื่องลมปากของเขามันก็ตกไปเพราะใจเราไม่รับมารลมมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปไม่มีอะไรสิจะไปรับไปยึดไปถือเอาเราทราบดีอย่างนั้น มันตกไปชั่วของใจเราเองมันสำคัญถึงคนอื่นจะสรรเสริญยนยอขนาดไหนใจใจมันชั่ ว, วมันคงไม่มีดีวิเศษอะไรให้จงพากันชา ร, สระสางใจข้องตัวต่างหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติเราคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่จะรักษาพระศาสนา พระพุทธเจ้ามอบให้อุบาสกอุบาสิก า, าพระภิกษุสามเณรเป็นผู้ดูแลรักษาเราเป็นอย่างไรความเต็นอยู่ภายในคือกายใจของเรารักษาศาสนาได้ไหมหรือเหยียบย่ำทำลายศาสนาพิจเจนาตัวข้องตัวอยู่สม่เสมอจิงใดที่ชั่วพระพุทธเจ้าสอนให้สำละ ก็ต่างหน้าต่างตาทำละไปสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กรารทำบ่มเช่นให้ควนขวายถึงจิตของเราไม่ชอบไม่ยินดีก็อุตส่าห์พยายามเนียสอนจิตให้สร้างให้ทำในสิ่งที่ดีทำลายจิตของตัวให้ผ่องใสให้หมดจดนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระ อ, องค์ ถอนลงในสามอย่างเท่านี้สามอย่างนี้ก็ไม่มีนอกเหนือไปจากกายใจของเราฉะนั้นตัวของเรากก้อนของพุทธศาสนาก้อนของกิเลสตัณหาความชั่วความดีมีอยู่นี้เรามีปัญญาที่จะสำะระปัดกวาดแก้ไขสิ่งที่ชั่ว ให้หายออกไปจากกายบาจาจใจของเราอย่างไรตรวจตาพิเจเญนารักษาตัวของเราถ้าตัวของเราดีไม่ต้องไปประกาศให้ใครฟังเขาก็พอทราบได้พอกายใจนี้มันเป็น ท, ที่จ้องมองของคนทั่วไปคู่ทีน่นี้กายใจดีเขาก็ทราบ ผู้ที่มีกายใจชั่วเขาก็ พ, าพ่อทราบถึงเขาไม่ทราบเราก็ทราบในตัวของเราสิ่งที่ชั่วเราได้กกำจัดออกไปสิ่งที่ดีเราเด้รวบ ร, รวมเอาไว้จนทาลาใจสะอาดบริสุทธิ์ถึงใครจะสิสินนินทาใครจะสรรเสริญเยนยอจิตใจมันก็คงเส้นคงวาไม่มีการ หรือการฟูขึ้นอยู่ตามเรื่องปกติไม่มีอะไรีิจะมารบกวนให้จิตใจว่าวนขุนมัวอีกนี่คืออาเนสงที่เราเห็นโดยการกระทำบมเพนของเราแต่นั้นขอทุกท่านจงชำระสาร <c oughs> ความชั่วที่กายที่ายจายของตัวออกไปมาพืช ความดีครือศีลสมาธิปัญญาเขาไว้ททำใจของตัวให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสถึงศาสนาจะหลวงมานมานานขนาดไหนถ้าเราเห็นเราเป็นอย่างนั้นเราบอกหลาชื่อว่าเราเห็นศาสนาเข้าใจศาสนา <c oughs> รักษาศา ส, าสนา พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราประจักอยู่ในจิตในใจของเราพุทธะผู้รู้ธรรมะผู้ทรงไว้สังฆะผู้ปฏิบัติมันมีอยู่ที่ไหนเราทราบดีเพราะเรามีกายมีใจเราประพฤติปฏิบัติไปในอจในธรรมจนรู้เห็นเด่นชัดแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยว่าการสมัย มันหมดไปทำดีในมักผลหมดไปจะไม่มีการสงสัยเพราะตัวเห็นตัวเป็นฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นที่นิ้ที่เจรนาศึกษาปฏิบัติกายบายจาของตอนต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเจริญลาก็จติตเพียงแค่นี้